ไม่าถาไราถึคงคิดได้เองิดได้ดูจากตัวเองนะว่าความคิดมันปรแปลงไปความคิดอะไรมามทำให้เกิดแต่ถ้าพอเรากลับมาทำนีความคิดมันก็ขุดขึ้นมาอีกเรื่องเดิมๆที่ทําให้เราทุกข์แต่พอเรากลับมาอยู่กรารสู่การปฏิบัติเดินหรือว่านั่งเคลื่อนไหวมันก็สงบได้เร็วไม่ต่อต่อต่อต่ อ, ตอยาวไปจเราเครียดหรือว่า การานะเรียน ม, มาแล้วด้วยที่จริงก็อย่างเด็ดสรุปว่าที่ดีการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะว่ามันจะต้องไม่คิดมันจะต้องสงบ อ, อย่างเดียวแต่จริงเราทําเพื่อที่เสริมความรู้ตัว <c oughs> พอการรู้ตัวเนี่แหะมันจะมันจะปลดความคิดเองมันจะวางความคิดเองนั้นวิธีนี้ ในโมเดลคิดแม้ในเตยเราเลยเกิดขึ้นเราไม่ห้ามไม่ห้ามแต่เราไม่ไปตามความคิด ic, ไม่ไม่ไหลไปตามความคิดเราก็มีตั้งนะมีต้านความคิดในในเตยาเราท่นจะต้องไมีคิดท่านต้อไม่คิดอะไรไม่ใช่นะเรามีดแค่กลับมารู้ตัวกลับมันหาตัวเรากลับมารู้ตัวเราอะไรเก่ดขึ้นมาต้กลับมารู้หรือถ้าใคปฏิบัติมากขึ้นแต่ นอกจากเราดูการเราลองสังเกตดูดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะเวลาเราทำเน่ารูปแบบบางทีเราทํางานหรือเราพูดคุกับผู้คนเราเกี่ยวข้องกับผู้คนหลายอย่างทีความรู้สึกบางทีถ้าเราขาดียิเราเรียกว่าตกเป็ิดพลาดไปที่โกธรนิดนึงตอนนี้ทาให้เราโกรธ ก็ไกโทษคนืนแอเบนติดก็ไปโทษอะไรก็แล้วแต่ฝนตกน้าท่วมเพราะว่าไปเราจะดูเราได้ไปโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นตัวการทาให้เราทุกข์แต่จริงถ้าเราเดสิอะไกลับมาดูกลับมาดูความรู้สึกเรากรด้งีโทษคนอื่นนะเราตะางไม่พอใจนะเรากระด้างโกนะบางทีก็บางทีเหงื่ความคิด เราจะไม่ทำแบบเราจะคิดเหมือนมันมีมันถูกมันสมควรนะักที่โกรธสมควรแนละ้วที่คิดสมควรแนละ้วที่อยากในโรมาณนนะแต่เราถ้าเราเอมาดูตัวเองก็ไม่ได้เห็นตัวเราเองนะเห็นอืมันก็จะจุดตรงนี้ได้นี่ก็พยายามฝ่าว้วเนี่ยก็ทําให้มันต่อเนื่องน่ะดีที่สุดนะทําทําในรูปแบบนอกรูปแบบให้มัน คล้ายๆมันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เทียนที่ใช้ก็เหมือนลุกโซ่ฮะโซ่มันคล้องต่อกันยาวยาวๆไปเรื่อยๆแต่ความต่อเนื่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่มีหลงไม่มีรู้ไม่มีความคิดเลยไม่ใช่นะก็คือเลือกเล่นอะไรทำเลือกเล่นอะรทเมื่อมันเมื่อมันทําได้เยอะมันจะกลายเป็นมหาสติมันเด็ะขี่ขึ้นตีขึ้นตีขึ้นนี ความคิดมันก็สั่างมนุษย์มันก็คงเขียนไั้สะดวกง่ายๆไปชีวิตเรานะถ้าไม่รู้ก็โลงมีแค่สองอย่างดังนั้นถ้าคิเนยถ้าเราย4สีชั่วโมงถ้าเรามารู้ตัวเพียงแค่สชั่วโมงหนึ่งแต่อีกยีบสามชั่วโมงเราโลงใชมแค่นั้นเลยงั้นเราอยากให้ีวิตเรามีตัรู้มาก ก็ไหลเราก็ต้องพยายามเอง่ไหมแต่ตอนนอนก้เยื่นกี้เราก็บางครั้งไม่ได้แต่จริงตอนนอนมันก็เป็นฝลเสืิมเนื่องจากการตอนที่เราตื่นนะฮะตอที่เราตื่นขึ้นเราตกสติก็วพยายามสติไปเรื่ยๆตอนนอนสติเราต้องไปคุ้งคอเวลานอนแต่อย่างน้อยสมมติเมื่อตอนนอนหกชั่วโมงนสแปดชั่วโมงเนี่ยเราจะปล่อยให้ความหง่หรือความรู้อะไรมามากก่ากัน แต่จะให้รู้ปีชั่วโมงหลบปีชั่วโมงอันนี้ถ้าเราพยายามทานะครับแต่เราจะตัดเกรดแม้บางทีเราทําในรูปแบบบังทีกวามหลบก็ยังเข้ามาแทรกได้บ่อยแต่ก็จะเห็นว่าถ้าเราทําในรูปแบบเรียกว่ามีสงความเรียกว่าอะไรความหลบก็จะสั้นนะมันก็จะสั้นก็เรามีหลักในการกลับมาแต่ถ้าทำนอกรูปแบบบางที ถ้าเรายังไม่คลองยังไม่ชำ น, นาญเนะ่ะมันจะหลงไปได้ยากเพราะว่ า, า, าเราจตัวเช่นเราเดินเดียวขึ้นหรือเดินมีธรรมชาติทำอะไรแบบที่มันซีคิมมากๆเยมันไม่ต้องอาศัยความตั้งใจมากใช่ไหมเราแทงฟันเนก็ไม่ต้องตั้งใจมากกินข้าวเหมือนกันหรือไม่แต่ขับรถมีดีขับเรื่อ้ๆก็มไม่ต้องตั้งใจมากมันจะทําให้การไม่ตั้งใจมาก น, น, นะแหละก็ถือว่า สมาี่มันลดลงเมื่อสมาธิมันลดลงสติมันจะหลุโอกาสที่จะขานง่ายอืงนั้นครูบาอาารก็เดี๋ยวใหม่่ใหม่ให้เราความตั้งใจเข้ามาเข้ามาเพอินเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะขาดสติไปได้ง่ายแต่ถ้าตั้งใจมากก็จะเครียดนะเราก็ดูอ้าตั้งใจมากเกินไปก็จะเกิดความเครียด แต่ขี่พวกนี้มันจะบอกว่าใครปฏิบัติแล้วจะไม่เครียดไม่มีนะออืจะไม่หลงไม่มีมันเป็นขี่อะไรนั่นเป็นประสบการณ์ที่เราได้ลองผิดได้ลองถูกประมา้นใชไมเหมืนเราขี่จักรยานตอนเด็กหรือใครขี่ตอนโตก็แล้วแต่นะเราจะบอกให้ทรงตัวดีๆไม่ต้องเต้นไม่ต้ัวมันคือบอกได้ มันทำไม่ได้ใช่เราเดี๋ยวมันรู้ตัวว่ามานทรงตัวแบบแหนมพอดีจนต่อเมื่อเราเราได้ลองทิศลองปลูกกันมานล้วแหละนะทรงตัวกู้คารคี๋วมานล้วแหละถ้าถึงว่าอที่จริงมันไม่ได้ยากจเิงๆนะตอนที่กลัวมันก็เลยต้องตอนที่กลัวก็เลยเกร็งเนี่ยนะ่ก็ไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติทรามันก็ไม่รู้เดินถ้าเดินเร็วยกแบบไหนก็ดีที่จริงมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้ ทำให้เรา่อแบบนี hmm. partners, achel, ้ม mm ันพอดีแบบนี้มันพอดีนะแบบนี้มัเร็งไปทีแบบนี้มันห่อนไปดีนะหย่อนไหลอยความแบบเป็นอัตโนมัติใจก็ลอยด้วยนะครับสัเนั้นอยากให้เวลามีใหม่ถ้าต่เพิ่มความตั้งใจก็จะรนึงแต่ถ้ารู้สึก่าเครียดก็อาจะก็กพักผ่อนลงมา อะแต่ดีกว่าตึงนิดนึงดีกว่าหย่อนเพราะว่าเมื่ีถ้าเรานอกรูปแบบหรือว่าเราไม่ค่อยรีบฝึกนะ่ถ้าหย่อนจะหย่อนเวียนแต่ถ้าตึงเนี่ยตึงนิดนึงเพื่อพอเราลุกมันตึงอาจจะปฝาบมาได้ตึงแล้วก็ฝาบนะอื <ừ> แต่ถ้าคนที่ฝึกมาพอสมควนะมันก็จะเห็นเอเนออันนี้มันตึงตึงจนไปค่ะพอหย่อนที่มาสบายแล้วก็ ถ้าฝึกมากขึ้นก็ให้เพิ่มฐานเพิ่มนอกจากฐานกายให้ดูฐานในทนาในท่าทางความสุขความทุกข์หรือความเฉยเกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าดูดูแให้ดูฐานอารมณ์มันเกิดขึ้นในจิตใจนะอาจจะเป็นความคิดอาจเป็นความสงบปีติแย่ด่แต่มันเกิดขึ้นมาะมันก็เห็น ดิ <là mà> ่กแบบไม่ต้องทำอะไรกันมาแค่ดูมันแสดงนะดูมันแสดงหมอบล็อมันไปนะไม่ได้มีอะไรแบบว่ามันก็แค่แสดงใจจะโกรธก็ก็ดูมันนะให้พอใจแห่ะก็ดูมันไม่ใช่ว่าึ่งไม่ดีนะมันก็เป็นธรรมชาติของมันเราดูเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยง โดย น, นะน่ะมีอะไรก็เหมือนก็หายเสื่อแล้ดับนะมันเป็นตามเหตุการจัดใจไอ้ตัวนี้เนาะมั น, นสสมก็จะคปอยค่อยสะสมอ่ะสะสมมีความเพียรคว า, ามขยันทีต้องมาประกอบนะมีถ้าทำในหอยง่ายก็เลยความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นเชื่อมั่นศรัทธาศรัทธานีนนี้คือเชื่อมั่นว่า ทำแค่นี้แหละอนสามารถที่จะชร้าให้คนทุกได้บางทีเราจะบางทีเราจะศรัทธาจะมั่นแน่นคอนแวนตบางทีเราว่าเราศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธารูปแบบการปฏิบัติแต่บางทีพอทําไปบางทุ่มม่วงมากบางช่วงสงสัยบางช่วงมันก็อืมมันเหมือนไม่ค่อยได้ลงปฏิบัติบางทีศรัทธาเราก็จะตกแต่ให้ เข้าใจาว่าบาทีการปฏิบัติบางทีบาวันก็ดีบางวันทำได้ไม่ดีก็ได้นนะไม่ใช่วันหนึ่งการมันได้ดีตลอดนะบางวันมันก็มีเหตุปัจจัยที่มันมัไม่มีเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ความมั่นคงอยู่ความมั่นใจว่าแค่ทำความรู้สึกตัวนี่แหละเดีย๋ยวมันจะค่อยๆจะมาดีขึ้นมาเองอันนี้กับางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีตลอดนะแต่เรนะาก็ถ้าเรามั่นใจแค่ทำความ นะ ต, ตัวนะความต้องรู้สึกตัวนะจะมาเก็บกล่บมาได้มีถ้าเราศรัทธาที่พระอาจารย์สอนบอกว่ามาหาสติประธานสูรเป็นทางทางสายเอกนะทางสายเอกที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ได้ทําแค่นี้นะหลวก็เทียนเนะี่ยท่านก็ไม่ได้เรียนอะไรมากไม่ได้รู้รก็ดีหลอกอะไรมากมายนะแต่ท่านทํา ทําเยอะๆทําเยอะๆแล้วก็เกิดความเข้าใจได้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในสัมปชัญญะมีความเพียรขยันเข้าไปแต่เพียรไม่ใช่แค่เพียรเดินเพียรนั่งน่นะเพียรมีสติอ ม, มีสติเข้าไปแต่ทำอะไรก็ไปีินข้าวอาบน้ำไปกว่านะบ้านเอาสติเติมเข้าไป ม, มีความตั้งใจตั้งใจ ที่จะทำให้เราต่อเนื่องนะมีสมาี่ที่ไม่ใช่แบบจองนะแต่เป็นสมาที่ว่าตั้นนั่นนะตั้งมั่นคือมั่นโงคล้ายๆอี่ที่ยวกว่ามันเหมือนแจ้งเฉยๆแจ้งขึ้นเหมือนปกติดูเฉยๆนะมันเริ่มั่นคืขึ้นเริ่มตั้งมันขึ้นแล้วก็มันจะมีปัญญายน่ยมันจะพวกไอแบบนี้มันเหมือนมีเครียดไปมันจะ่รับายไปได้ที อแบบนี้มันเป็นอะไรมันก็จะปากมันปิดมันจะเกิดการสอนตัวเองนะสติปัญญาตัวเราไม่แหลกสอนตัวเราออืะไม่ต้องว่าตัววายกันสอนเท่านั้นแต่จริงตัวเราเองนะเขามันจะสอนตัวเองทํามื่อมันทุบอ่ะมันก็จะพอมันเห็นว่ามันทุบนะมันจะออกเองพอมันรู้เมื่อมันทุบอะมันก็จะออกเองเนี่ยสื่อปัญญา แต่ถ้าเป็นยาแบบแค่ความรู้จำรู้คิดเน่ยรู้มันทุกข์นะแต่กแต่วางไม่ได้มันแค่รู้นะแต่แต่วางไม่เป็นนะรู้เขาก็ปล่อยวางตัวอย่ปล่อยวางรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ทั้งหมดเลยแต่มันไม่วางอันนั้นยังไม่ใช่จริแต่ถ้าเรารู้ด้วยภาวนาเห็นเห็นว่ามันทุกข์มันจะวางเห็นว่ามันทุกข์มันจะวาง อนี Dana, high, ้แหละคือเราก็ค่อยๆถามนักดองดอาดูชีวิตเรามีแต่หลงก็รู้ท่านั่นแหละเราจะให้ชีวิตเรามันมีความรู้มากหรือความโหลงมากก็ขึ้นอยู่กับเราวิจิตเราสร้างชีวิตของเรานี่ยแหละแต่มาแบบเปิดตัวเพื่มั่นใจว่เทินทางนี้แหละเป็นทางเป็นทางที่เราเลือกเดินเนาะ โยบเองก็แม้ไม่ได้บวชแต่ก็เราก็เลือกเดินทางนี้ไหมือนกันนะเลือกเดินประกอบกับหน้าที่การงานของเราเนื้อแหละมันไม่ต้องแปรเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนการงานของเรากราปรีดีแค่เติมเติมสตินะเติมความรู้ตัวเติมธรรมะเข้าไปในชีวิตของเราชีวิตเราจะเปลี่ยนเองอยังเป็นคราว่าเมืนเดิมในทำงานเดิน แต่เปลี่ยนที่ชีวิตจิใตใจเนี่ยนะตัวนี้นสำคัญที่สุดซึ่งในสายเราก็หลวงพ่อเทียนก็เป็นตัว อ, อย่างชัดเจนท่านก็เข้าใจธรรมะตั้งแต่เป็นคารวะกลับไปก็อยู่คารวะสองปีถึงออกบวชหลวง่อเขียนตอนไปเป็นแบบทํำใหม่ตอนที่เข้าใจธรรมะเบื้องต้นก็เป็นคาวะหลังจาก น, นั้นก็ตัดสินใจที่จะบวช น, นะฮะ อย่อาจารย์ตองคนเนยก็เป er, ็นคารว่าปวดไม่ได้เป็นพิการปวดไม่ได้แต่เราก็ได้ยินได้ฟังได้เห็นว่ามันเนี่ยเออมันก็ไม่ตายก่อพระฉะนั้นไม่ตายต่อพระอันนี้มันเราก็มันเป็นกระแสที่มันเราเห็นว่ามันเกิดความนั่นใจจริงๆแล้วทางทรายเนี่ยมันมันถูกต้องแล้วนะไม่ใช่ว่า แล้วก uh, Th ็เป็นมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะคือจะมีสมาธิที่ด้เกจอปัญญาไม่ได้ใช่แบบนั้นข้อาะจริงๆคือกายวาจาเราเรียบร้อยเป็นปกติจิตใจก็จะมั่นคงสติปัญญาก็จะว่องไวเฉลียวเลียวก็รู้รู้ถัดที่อีกก็คือรู้ถัดตัวเองรู้ถัดว่าอะไรที่เด็กจะได้นะ นี่แหละคือรู้ทันนะรู้ทันว่าขาดอะไรแล้วนะน เ, าาเนี่ยรู้ทันก็วางเห็นเห็นกิเลสเห็นทุกขนะ์นั่ะมันก็จะวางนะอันนี้คือปัญญาเห็นกิเลสเห็นทุ ก, กข์มาชัดเ็นมันมันออกไม่ได้กว็วางนี่สืนแนวทางที่นะักวิทยาธรรสอนนะ่ะเป็นทางตรงนะทางตรงเป็นทางที่เรียกว่าไม่ยากก่อกนะ แต่ก็แต่ก็น้อยคนที่แจะตั้งพยทําจริงอยู่เพรอะไรบางทีเราก็มีความประมาทในชีวิตนะประมาทว่าเราได้มีเวลาอีกเยอะประมาทว่าจะมีอะไรตุการณที่มันสําคัญเราไปทําตรงนั้นก่อนนะมันจะประมาทก็เลยอกขาดความต่อนืแล้วก็พอพอเกิดเหตุการณ์อะรบางอย่างขึ้มาถึงจะค่อยฉุก เราไปทุกข์มากพยายามสักหม่อยพอทีวิตสบายสบๆก็ลืมกรรมะพอชีวิตทุกข์ก็เริ่มคิดถึงธรรมะแบบนี้นี่คือก็ประมาณนะ่ะแต่ถ้าชีิตเรานะไม่ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องทุกข์ใจช่วงนี้จะมีเรื่องทุกข์ใจเราก็จะมีสติคอยกจงกับคอยดูแลจิตใจอยู่นะไอแบบนะี้คือีิที่ไม่ประมาณ แล้วก็อยากจะฝากไว้นะ่ะมีใครจะถามมัยอเอราเนี่ยมีไมมมีไหน ก็มีสติบ้างมีมีสติบ้างคือคือฝักบ้านหลูบ้านอะไรเนี้ยครับเอ่อผมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจะจะจะได้อะไรกลับคืนมานะราะว่าจากอรนีที่ถึงนั่ง ผ, ผมเสียดคิดไปแล้ว hmm. ทำอะไรก็ได้อีก hmm. วันหนึ่งได้อีกวันหผมตื่นเช้ามาแล้วก็ผมผมคิดว่ามันเสียใจายมากเหสิ่งเดิมๆที่ไม่หนกันแล้วก็ ก, ก็เสียใจอมันก็เป็นทุกจากการทา ผมก็คิดว่าจากที่ท่านสอนคือว่าเราก็เห็นทุกไปเลยก็คือเสียใจก็คือร้องไห้ไปอะไรนะคือให้มันสุดๆไปเลยแต่ว่าผมก็ทำอย่างหนึ่งด้วยเหมือนผมคิดว่าสิ่งที่ทำมาทุกอ แค่มาดูแลบ้านอะไอย่างนี้จริงๆแล้วพ่อแม่เราดูแลเราต้องมาดูแลเ่าหลังองี้ครับมันก็ทําให้ผมคิดว่าที่เราก็เสียใจได้แต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะจะจะชั่งควรกันากนอกจากว่าสิบปีผ่านมาแล้ก็ไม่ได้สนใจกันอะไรอื่แล้วผมกคิดว่ามันก็ทาให้ผมที่ได้ว่าคือคือเราเราก็ ก็ฟีดได้เราให้คนจะภาคภูมิใจเลยคิดว่าผมนาเชื่อโยงผมคว่าที่พาไปแล้วหลุอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราทํเาหล่อเลี้ยงอย่างนี้แต่เมื่วันคิดจนคิดไปลอย็ก็ก็กลับาสติผมคว่าเนี่ยนะครับมันมันทาให้ผมคิดว่าสิ่งทผมทไปทั้งหมดคือฟังดีๆจากรนตรสาพูดทุกวันแล้ ว, ก, วลก็ปฏิบัติธรรมประจําเรือนอย่างเงี้ยมัน พื่อจะได้มาตื่นนะครับเื่อถึเวลีมาก็กะบี่ับก็เอ็นเดิมาหลาปีครับมั้สองคนสุนทรก็เสียมาเตือนเกิดคนข้างๆเราเสียก็ลำดึงนะฮะแต่ก่อนนี่ถึงไม่ไม่ถึงเรื่องสตินะครับ แย่มากครับคือจะให้เรามานั่งทาสมาธิแล้วมี ม, มีเคยมีคนบอกว่าไปบวช อ, อ, อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยเ า, าไม่ได้คือสมาธิคือเราเราโรสร้างเราเราทิกันไม่ได้คือน่ิ่งหิวนีอะไรยเงยมันทำทไม่ได้แน่นอนแลครั้งนี้มารู้สึกว่าเราเราไทาําอย่แล้วแล้วมีเกิดสตริรมาอยหนงนะครับคิดว่าาผานส ใช้ถอว่าเราสามารถใช้ที่ต่อ้าบ้านได้เข้ให้เห็นในน้ไที่ใรหนัาไม่ได้ก็ดีนะก็บโดยเพอันสอันโสก็ดีเพราะว่าเราอย่างที่ว่าบางทีเราก็ทาไปเถิดนะถ้ามันติที่เราทําไม่เป็นอักนระ เป็นฟางทำเที่ยวฟังทุกวันอ่ะก็ จ, จะยังไม่เกิดอะไรมากนะากักเหมือนแต่วันที่เราทุกข์หัหนัมันจะรอดกลับมาช่วยเราหรือบางทีสติตอนที่เราแบบชีวิป ก, กติเราก็ดูเหมือนมันก็นเหมือนมันก็รู้สึกดีนะที่รู้ตัวแต่ตรู้ตัวอะไรก่อนะช่ไ <c> ห <ười> แต่วันไหนที่เราทุกขเราจว่าพอทุกก็เรากลับมาได้พอโกรธก็เรากลบกับมาได้นะ่ะมันมีคุณค่ามาก เหมือนกับข้าวเหมืนกับน้ำเรากินจนน้ําแก้วนี้มีค่าหรือเปล่าดูนะกิ่งก็ได้ไม่กินก็ได้แต่วันไหนที่เราอยู่น้ํามากๆใช่ไหมหมูน้ําเทพอื่นๆอื่นนี่ก็มีค่ามากบางทีไอ้สิ่งที่เราสิ่งที่มีค่าเราก็จะเห็นความสําคัญตอนที่มันขาดแคลนแต่ตอนที่มันขาดแคลนเนี่ยตอนนั้นเรา เราจะเรามีมันไว้ในตัวหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนตอนที่เราเจ็บ ห, หนักๆตอนที่เราสูญเสียคนละตอนที่เราใกล้จะตายนะถ้าเราไม่รู้สึกให้ตัวนี้ไว้นะ่ะไม่ได้มีน้ําอยู่ ใ, ใกล้เลนะี่ยเมื่อเราเหิวอ่ะเราไม่มีกินมันจะบตุ้มากใช่ไ้ยอืมนะก็อยากให้โยมเห็นความสำคัญตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ไม่ถึงขั้นที่มันขาดแคลนนะเพราะว่าถ้าเราติดต่อเนะื่อ เป็นนะั้มันจะคล้ายๆมันเจะกลับมาหาเราคําสอนครูบาอาจารย์สติสมาธิปัญญาที่เราเคยศนะึกษามันจะกลับมาช่วยเราทาให้เรามจิตใจมันจะสงบขึ้นจิตใจก็จะเข้าใจความจริงมากขึ้นเดังนั้นของธรรมดาตรงนี้นะธรรมะก็เรื่องธรรมดาเรื่องชีวิตปกติธรรมด า, ามกาบัวกุ้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่ริงว่าถ้าเราฝึกภาวนาไปเรบ่อยๆมันก็จะรักษาตัวเรารักษาใจเราตั้งแต่วันนี้หรือวันไหนที่เรามีความทุกข์มากๆเนี่ยมันก็ยิ่งมีค่ามากนะขอยาให้พวกเราได้ได้เรียกว่าฝึกไปเรื่อยสิ่งที่เราได้จากตัวเรานัเนี่ยเราได้หรือคนเราตอกค่าเราคนที่เราเกี่ยวข้องนั่นแหลเขาก็จะได้ะใจเราเย็นใจเราดี ใจเราสงบนะคนที readers, 1, medi, ่อยู่ใกล้ดีเขาทุกหนเห็นเราใจเย็นใจน่ยเราสงบเนี่ยเขาก็คลายความทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าใจเราก็เครียดใจเราก็กังวลใจเราก็ทุกคนใกล้ๆมันก็คอยร้อนดีด้วยนะนะ่อยเครียดนิดหนึ่งนะนี่เราก็ได้คนที่ต่อข้างเราก็ได้นี่แหละก็เป็นอันที่สองนะแต่พอสมควรนะ